ก่ก บ, บูชาพระรัตนตรยัยกับบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทีหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรุบมายังหมู่สงเขาโอกาสเพื่อนศาัทธมิกเจริญพรมายังไม่ชีและก็ญาติโยมทุกคนเนาะยเย็นวันนี้ก็เป็นเย็นของวันจันทร์นะที่ยี่สิบสอง มกราคม2561นกะ25นะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาทำวัดเย็นเราสาธยายมนเราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งนะของเราชาวพุทธนะขณะที่เราสาธยายมนสวดมนจิตใจเราก็อยู่กับบทสดมนนะ ได้ระ ล, ลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะก็ทำให้จิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานนะเหมือนเราได้อาบน้ำนะอาบน้ำชำระกายนะการสวดมนต์ก็เหมือนกับชำระใจนะให้จิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานนะมีความสะอาดหมดจดนะจากมนทินเครื่องเศร้าหมองนะโดยเฉพาะนะอารมณ์ต่างๆ นะที่เราได้สัมผัสนะกับโลกนะที่มีทั้งเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสสัมพันธะ์เมื่อเรามาน้อมระลึกถึงนะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะก็ทำให้จิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานสะอาดหมดจดนะเหมือนกับเราได้อาบน้าชาระกาย สวดมนต์ชำระใจนะซึ่งสิ่งนีนะ้ก็เป็นกิจวัตรประจําวันนะที่พวกเรานะที่อยู่วัดป่าสุก โ, โตก็ดนะีญาติโยมแมช่ชนะีหรือว่าพระเนรนะที่ม า, าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะก็เป็นกิจวัตรประจําวันนะเหมือนเราอาบน้ำนั่นแหละนะอาบน้ํชาชําระกายนะเราสวดมนต์ก็ชําระใจ ให้แช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีกำลังมีกำลังใจในการที่จะมีชีวิตอยู่มีชีวิตที่เป็นปกติสุขซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความปรารถนาเป็นความสุขที่เราสามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจาวันของเราประดันการมาไหว้พระสวดมนต์มาสาธยายมนเนี่ย นะก็เป็นการบำรุงเลี้ยงนะจิตใจของเรานะให้มีกําลังวังชาขึ้นมานะให้มีความแช่มชื่นมีความเบิกบานนะตรงนีนะ้เพื่อที่เราจะได้นําสิ่งเหล่านี้นะไปเรียนรูนะ้ไปเรียนรู้ในกายในใจของเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะก็คือตัวสติปัญญานะสติปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะ เจะทะลุทะลวงนะเข้าไปในกายในใจของเรานะซึ่งรูปแบบของการปฏิบัตินะเราก็มีชัดเจนนะที่วัดป่าสุกโตนะโดยเอาแนวทางของหลวงพ่อเทียนนะการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวในครั้งที่หลวงพ่อเทียนท่านเผยแพร่ธรรมะในช่วงแรกๆเนี่ยนะก็มีหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้นาทางด้าน ศา ส, สนาก็ดนะีทางด้านภาษาบาลีก็ดีนะก็เรียกว่าวิพากวิจาร์กันนะว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนนามาพูดนามาเผยแพร่เนี่ยมันไม่มีในพระไตรปิฎกนะมันไม่มีสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยสอนนะท่านไปเอามาจากไหนนะหลวงพ่อเทียนนี้ท่านเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะมาตั้งแต่เล็กๆภาษากลางท่านไม่รูนะ้ท่านรู้แต่ภาษาอีสาน นะกับตัวาภาษาอักษรธรรมเนี่ยประจันั้นสิ่งที่ท่านได้ประสบหรือว่าท่านนำมาเผยแพร่นั้นมันเป็นประสบประการนะที่ท่านได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้พบกับตัวท่านท่านก็พูดในสมัยนั้นนะบอกว่าเขาไม่ได้เขียนเอาไว้มันก็ไม่มีนะแต่เมื่อเราสาธยายมันไปเมื่อสักครู่นี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดมา สมาสติปัฏฐานสูตรหมวดกายนะโดยเฉพาะมีคำอยู่คำหนึ่งนะเมื่อเราคูอวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกนะเราก็รู้สึกตัวแตนะ่เพียงแค่คำคำนี้นะนะครูบาอาจารย์ก็เอามานะคิดเป็นรูปแบบนะการยกมือสร้างจังหวะนะซึ่งเมื่อวานก็ได้บอกไปแล้วว่าวิธีการนี้นะหลวงพ่อคำเขียนเคยเล่า ว, ว่ามันมาจากพม่า แล้ไปแพร่หลายในเมืองลาวนะเขาเรียกวิธีติงนิ่งนะเพราะนั้นรูปแบบของการปฏิบัติจะไปบอกว่ามันไม่มีในพระไตปิฎกนะก็คงจะไม่ได้ทีเดียวครั้งหนึ่งอาตมาเคยไ ป, ไปเทศที่ชุมพรนะก็ไปเจอมาหาป ร, รียน9้าประโยคเหมือนกันนะท่านบอกทำไมต้องอ้างในพระบาลีด้วยนะเออเราก็เราก็บอกมันก็มีตรงนี้แหละนะ มันก็มีคู่อวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกนะเพียงแต่ไม่ได้มีรายละเอียดนะว่าในรูปแบบนะซึ่งรูปแบบตรงนี้ครูบาอาจารยนะ์ก็ได้นำมาขยายออกมานะเป็นรูปแบบที่เราสามารถจะปฏิบัติได้นะซึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะของการที่เราจะฝึกจิตฝึกใจนะให้เรามีจิตใจที่ตื่นรู้ าตามหลักสติปฐานเหมือนกันที่เราสาธยายมนมหาสติปฐานสูตรเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะถ้าจะอันให้เต็มเต็มเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่านี้นมันจะมีหมวดกายหมดเวทนาหมดจิตหมดธรรมซึ่งจะมีรายละเอียดปลีกย่อยามากทีเดียวแต่ที่เรามาเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนที่ต้องการจะเน้นย้ำว่า รูปแบบของการปฏิบัติในหมดกายเนี่ยถ้าเราไปอ่านดูในพระสูตรเนี่ยมันมีทั้งหลายวิธีอานาปนาสติกก็เป็นวิธีหนึ่งอริยบทก็เป็นวิธีหนึ่งสัมปชัญญะก็เป็นวิธีหนึ่งการพิจารณาซากศพอสุภะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งพิจารณ า, าธาตุก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะกับจริตนิสัยของเราได้นะในส่วนของ หลวงพระเทียนเนี่ยนะท่านก็เอาในหมวดของถ้าเราเทียบนะแต่คิดว่าในยุคนั้นท่านไม่ได้ไม่ได้ดูหนังสือไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละนะแต่ว่ามันก็มาตรงนะในหมวดสัมปชัญญะบัพพะในหมวดอริยบทบัพพะนะครับว่าบัพพะก็คือวิธีการนั่นเองนะก็บอกว่าชัดเจนเลยนะนะว่าจะทำอย่างไรเช่นในหมวดอริยบทเนี่ยบอกว่าเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินนะ เมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อนอนก็รู้ว่านอนจริงจริงถ้าใจชัดเนี่ยก็คือเดินก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวยืนก็รู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวนะซึ่งเราฟังดูแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่เห็นจะมีอะไรแปลกเลยนะในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้า ว่าท่านเนี่ยชีวิตแต่ละวันเนี่ยท่านทําอะไรบ้างพุทเจ้าก็บอกว่าเราเดินบ้างเรานั่งบ้างเรายืนบ้างเรานอนบ้างพรามก็บอกไม่นมันแปลกไม่มันแตกต่างไปจากคนทั่วไปคนทั่วไปเขาก็เดินยืนนั่งนอนก็ไม่เห็นจะแตกต่างอะไรพระโต้งก็พูดออกมาว่าเราเดิน เราก็รู้ว่าเดินเรานั่งเราก็รู้ว่านั่งเรายืนเราก็รู้ว่ายืนเรานอนเราก็รู้ว่านอนแต่คนทั่วไปเนี่ยบางทีเดินไปก็ไม่รู้ตัวเดินไปก็คิดไปเรื่องนั่นเรื่องนี้นะบางทีก็เดินใจลอยนะถึงกับขนาดในกรุงเทพเนี่ยเดินใจลอยขนาดตกท่อระบายน้ําก็ยังมีใช่ไหม นี่หลังเยา อ, อ, อยู่ในวัดเนี่ยเราเดินใจลอยอ้าวไปเหยียบตะขาบขึ้นมาแล้วไปเหยียบแมงป่องเราก็ได้นะเราเดินใจลอยเนี่ยอันตรายคือเดินแล้วไม่รู้สึกตัวเดินลืมเนื้อลืมตัวช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งเดินเพลินไปหน่อยมันลื่นพลึกโอโหนะปรากฏลมแขนหักเลย น, นี่ก็เดินแบบไม่รู้สึกตัว เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนความแตกต่างมันก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเดินไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะแต่พุทธองค์ได้พูดถึงว่าเดินให้เรารู้สึกตัวนะอันเนี้ในหมดอิเลิบดทซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดานี่แหลนะนแต่ว่ามันเป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเออมันไม่ธรรมดาไงเออมันรู้สึกตัวนะนะเมื่อเรารู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะเห็น เราเดินจะไปเยียบกองขี้หมาแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้วัดเราหมามเยอะเหลือเกินเนี่ยใช่ไหมมันขี้ตรงโน้นขี้ตรงนี้ถ้าเราเดินไม่ đi, มดีไปเหยีบขี้หมาก็ได้อ้าวนะเยีบขี้หมาเยีบขี้ไก่เยียบขี้แมวเงี้ยนะอันเนี้ยเราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรามีความระลึกรู้สึกตัวเราเดินไปเราก็เห็นโอ้กองขี้หมาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวช่วยกันเก็บนะคนอื่นจะได้เดินไม่เหยียบตัวเราเองก็ไม่เหยียบนะอันเนี้ย เพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเราก็เจริญสติใน อ, อิริยบทในกิจวัตรประจาวันนั่นแหละนะเรื่องของการเจริญสติไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรไม่เป็นเรื่องที่จะต้องไปทำให้มันวิเศษวิสโสอะไรนะเราก็ทำตามปกติของเราเพียงแต่ว่าเติมความรู้สึกตัวเจตนาที่จะระลึกรู้สึกตัวเข้าไปนะตรงนี้เนี่ยนะอีกหมวดหนึ่งก็หมวดสัมปชัญญะ สัมปชัญญานี่ละเอียดเลยนะกินดื่มเคี้ยวลิ้มนะก็ให้รู้สึกตัวคูแขนเข้าเหยียดแขนออกก็ให้รู้สึกตัวนะการนุ่งสบงจีวรสังคาตินะนี้สําหรับพระนะสำหรับโยมก็นุ่งผ้าใส่เสื้อนุ่งนุ่งกางเกงนุ่งผ้านะด้วยความรู้สึกตัว คนที่นุ่งผ้าไม่รู้สึกตัวในบางทีก็มีเหมือนกันนะตอนคืนนะเนาะเออเสื้อมันกลับกลับกันนะมองไม่เห็นนะพอออกมาอ้าวเฮ้ยเราใส่เสื้อกลับข้างเว้ยนะเราไม่รู้สึกตัวนะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นรายละเอียดนะที่เราสามารถจะเอาไปทำได้นะกับชีวิตประจำวันการกินนะก็ใช้ได้นะเคยสังเกตไหมล่ะ คนที่กินไม่มีสติเนี่ยบางทีก็กัดปากตัวเองกัดลิ้นตัวเองข้าวติดคอนะกินไปคุยไปข้าวมันก็ลงไปหลอดลมอ่ะใช่ไหมอันนี้เ็าเรียกว่ากินแบบไม่รู้ตัวกินแบบไม่มีสตินะรีบกินรีบเคี้ยวนะโดยเฉพาะยิ่งคนในเมืองก็น่าเห็นใจเนาะเพราะว่าชีวิตประจาวันก็รีบเร่งอะนะแต่ว่าเราอยู่ที่วัดเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกได้เลย ไม่ต้องรีบร้อนนะทานขบฉันเนี่ยนะด้วยความรู้สึกตัวนะเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวให้แหลกเหลวนะรับรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดนะก็สังเกตไปนะนอกจากสังเกตไอรสชาติต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยก็สังเกตใจของเรานะรสนี้เราชอบรสนี้เราไม่ชอบอ่านี่เราชอบอ่านี่เราไม่ชอบอ่านีเน่เราก็ได้เรียนรู้ นะเรียนรู้ใจของเราด้วยไม่ใช่เรียนรู้แต่กายอย่างเดียวได้เห็นกายเห็นใจนะที่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะตรงนี้ก็สามารถเจริญสติกับการกินก็ได้การดื่มนะบางทีเราดื่มแบบรีบร้อนนะบางทีก็สำลักน้ำอันนะั้นะก็คือดื่มแบบไม่ไม่มีสติ ก, นะการเคี้ยวการลิ้ม นะอันเนียก็สามารถที่จะฝึกสติได้การนุ่งหม่มการบินธบาตนะการบินทบาตนะเวลาเราไปเดินบินทบาทเนะี่ยใจเราลอยปะ่ะหรือใจเราอยู่กับการก้าวเดินนะอย่างพระก็ดีเนนก็ดีเราไปบินธบาทนะหรือบางทีก็เดินกันไปคุยกันไปนะอันนี้บางทีก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันนะบางทีก็เพลินไปกับการคุยนะบางทีก็ เสียงดังเลยนะเอ่อแต่มาไปบินาบาตะแต่มาก็รู้สึก <c oughs> ละอายใจเหมือนกันนะบางทีเราไปคุยหรือเราได้ยินเพื่อนคุยเนะี่ยเราก็ไปเตือนไปบอกก็ไม่ได้นะเราก็นิ่งๆของเราเฉยๆของเรานะแล้ว ก, กลับมารู้สึกตัวกับเราเนี่ยแหละนะนะเหมือนกันนะอย่างพวกเราเวลาเราพิจารณาอาหารนะตอนเช้าเนี่ยให้สังเกตคนที่มีสติเนี่ยนะนะเขาจะหยิบจับช้อนจ น่ะเสียงไม่ดังหรอกไม่ไม่มีเสียงดังไม่กุ้งกิ้งกุ้งกังดังนะโครมครามโครมครามไม่มีนะคนไม่มีสติคือทำไปตามความเคยชินนะไม่รู้สึกตัวนะหยิบกละมังหยิบจานหยิบช้อนเสียงดังนะอันนี้เราสังเกตได้การสังเกตนี้เราไม่ได้ไปเพ่งโทษคนอื่นนะโทษตัวเรานั่นแหละตัวเรามีสติหรือไม่มีสตินะทาเสียงดังไหม หรือบางทีเวลาไปตักอาหารเนี่ยตักไปคุยไปนะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันลงไปในอาหารโดยที่มไม่รู้ตัวนะมันคุยแล้วมันสนุกเนาะมันมันเ น, ะนาะนะบางทีน้ำลายก็ตกไปในอาหารก็ได้โดยไม่รู้ตัวยิ่งใครเป็นไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวก็แพร่ระบาดกันเท้านั้นเองเพราะฉะนั้นในระหว่างการพิจารณาอาหารเนี่ยเราก็ฝึกสติได้นะเราเค่อยๆตัก ค่อยๆตักค่อยๆพิจารณาพยายามทำเสียงไม่มีเสียงดังอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะทำให้การพิจารณาก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยไม่เสียงดังไม่โครมคลามาแต่ถ้าเป็นคนข้างนอกเ ข, ข้ามาก็ต้องยกให้เขา่าเนาะเราไปอะไรเขาไม่ได้แต่อย่างเราคนอยู่วัดเนี่ยเราน่าจะฝึกได้นะ เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพียงแต่ว่าเราใส่ใจนิดหนึ่งนะใส่ใจที่จะระลึกรู้สึกตัวในการพิจารณาอาหารในการตักอาหารแล้วก็ตักไม้พอเหมาะพอดนะีที่เราจะรับประทานนะอย่าให้ความอยากนะมันมาบังคับเรานะความอยากคือตักเอาเยอะไว้ก่อนนะไม่เป็นไรกินไม่หมดเดี๋ยวก็นูนะ่นนะ่ะ เอาไปเททิ้งบ้างเอาไปเป็นอาหารหมาบ้างอาหารแมวบ้างอะไรเงี้ยนะสิ่งตรงเนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะตักมาให้พอเหมาะพะดีที่เราจะรับประทานนะอย่าไปทิ้งคว้างเพราะว่าของที่เขาทํามาเนี่ยนะโอ้โหไปเห็นแม่ครัวเขาทำเขาตั้งใจทํานะตั้งใจทําอย่างดีเลยญาติโยมเขาเอาอาหารมาถวายนี่เขาก็ตั้งใจที่จะมาบำรุงเลี้ยงพวกเรานะให้ปฏิบัติธรรมนะ ถ้าเราไปทิ้งไปกว้างนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากทีเดียวนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสติในการตักอาหารในการพิจารณาอาหารเวลาขบฉันนะก็มีสตินะในการขบฉันนะไม่พูดไม่คุยกันนะตรงนี้เนี่ยนะเพื่อที่เราจะได้มีสตินะแต่วัดเรามันก็อย่างว่าเนะ <c oughs> เาะระเบียบก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่บางที่ กินไปคุยไปก็มีบ้างอะ่ะให้เราดูเป็นบทเรียนอะไรที่ดีเอามาอะไรที่ไม่ดีเราก็งดเบนซะนะในระหว่างการรับทานในการขบฉันนะตรงเนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะสำหรับในการฝึกในการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยนอกจากการทำในรูปแบบการยกมือเคลื่อนไหวการเดินจงกรมแล้วเนี่ยนะเราพยายามนะ ที่จะขยายผลออกไปในสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจําวันการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการนุ่งห่มแม้แต่การอุจจระปัสสาวะเข้าห้องน้ําอำมันก็ฝึกสติได้เหมือนกันนะใครจะไปคิดว่าอพระพุทธเจ้าก็พูดอันนี้ด้วยนะเราไม่คิดว่าเข้าห้องน้ําเนี่ยมันจะฝึกสติได้ฝึกยังไงมันเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าห้องน้ํานะ อย่างห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนกรุณาถอดรองเท้าเนะี่บางคนโอ้ยกลัวเท้ามันจะเปื้อนใส่รองเท้าเหยี่ยวกับไปเป็นไงอ่ะโสดปกมไหมล่ะแล้วใครมาทําความสะอาดล่ะแงไม่ฉีดแตนหรอพวกเราต้องช่วยกันใช่ปะ่ะถอดรองเท้าหรือใส่รองเ ท, ท้าที่มันไม่เปือป้อนเข้าไปอมีสติแหละเปิดประตูเปิดเบาๆอย่าไปเปิดดังปึ้งปังปึ้งปั ง, ป ง, ปงนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติเหมือนกัน เปิดเบาๆเข้าไปนะนั่งดีๆเหมาะๆนะแล้วค่อยๆขับถ่ายนะด้วยความรู้สึกตัวอยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะอาตมาเ ค, เคยเคยเคยเห็นนะที่สวนโมกอาจารย์พุทธทาสเนี่ยห้องน้ำของท่านท่านเขียนไป้ายไปเลยห้องกรรมฐานชั้นที่หนึ่ง <c oughs> ห้องน้ำเป็นห้องกรรมฐานคือมันเป็นส่วนตัว เป็นส่วนตัวที่เราจะระลึกรู้สึกตัวในการขับถ่ายอาจะเป็นหนักก็ดีเบาก็ดีนะให้เรามีจิตใจอยู่กับสิ่งที่เราทําบางทีเราเข้าห้องน้ําไปเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลานานใช่ไหมาบางคนก็หนังสือพิมพ์มาอ่านเอาหนังสือมาอ่านเอาซาวด์บอยมาฟังนะหรือบางทีก็คิดโครงการนั้นโครงการนี้คือใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับการขับถ่ายเลย ใจมันไม่อยู่กับเรื่องราวใจมันอยู่เรื่องอื่นเรียกว่าใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นคนในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยมีสมาธิกับพระอย่างเนี้ยนะมันฟุ้งซ่านไปนะเพราะฉะนั้นให้ใจเนี่ยอยู่กับการขับถ่ายครั้งหนึ่งอาตมาได้ไปกับอาจารย์ทรงศิลที่เชียงใหม่มีอาจารย์สถาบันาราชพัฒนก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติก็ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมแกก็ยังไม่รู้สึกตัวหมายถึงว่า ก็ยังไม่ชัดว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงมีอยู่วันหนึ่งแกขับถ่ายนะถ่ายอุจจาระนี่แหละขอโทษข อ, อภัยนะนท่านถ่ายอุจจาระออกมาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยความรู้สึกตัวขณะที่มันอุจจาระมันออกมาจากถารหนักเนี่ยนะโอ้ความรู้สึกตัวมันแจ่มชัดเลยนะโอ้มันรู้สึกตัวในห้องน้ําในห้องส้วมอะเพราะมันก็เป็นไปได้ และแกก็มาเล่าให้จัดสงสินฟังอัตมาเออเขาท่าอยูนะคนนี้บรรลุธรรมในห้องส้วมเนีเออนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะเข้าใจนะความเป็นจริงนะบรรลุธรรมได้แมในการอุจจระปัสสาวะเพราะฉะนั้นใหญ่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะกิจวัตรประจำวันเนี่ยให้เราใส่ใจมีเจตนาสังเกตนะที่จะระลึกรู้ บ่อยๆแต่แน่นอนนะเราไม่ต้องไปเก็งไปจ้องไปเพ่งจะให้มันรู้ตลอดเวลาอันนั้นมันจะหนักเกินไปนะมันจะเครียดเกินไปนะทำสบายๆผ่อนคลายใหม่ๆก็รู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรนะเผลอแล้วเรากลับมารู้นะให้ได้บ่อยๆนะตรงนี้จะเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัต ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการไปอ่านหนังสือไปฟังไปจดจําเข้ามานะอันนั้นเขาเรียกว่าความรู้มือสองไม่ใช่ความรู้มือหนึ่งความรู้ที่เกิดจากการที่เราได้สัมผัสนะกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนะั้นะความรู้ชั้นหนึ่งเป็นความรู้ที่แท้จริงนะซึ่งตรงเนี้นะเป็นที่พึ่งได้และเป็นเครื่องมือสําคัญด้วยนะที่เราน่าจะ เรียนรู้มันสัมผัสมันลงมือทําเลยอย่าไปอ่านหนังสือมากเลยนะอ่านมากมันก็เท่านั้นแหละนะอรรมานี่เป็นคนนึงแหละที่พูดในไม่ใช่อะไรนะตัวเองนแหละเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากนะโดยเฉพาะหนังสือธรรมะสมัยไปเรียนรู้ใหม่ๆเนาะโอ้ยอ่านหนังสือจารย์พุทธทาสเล่มไหนมีเล่มไหนอ่านหมดของเจ้าคุณประยุทธ์มีเล่มไหนอ่านหมดนะของท่านโพธิรักอ่านนะของใครมีดีๆอ่านหมดเลย แล้วก็จําได้ด้วยนะมันรู้หมดอนะ่ะมันพูดได้หมดอนะ่ะแต่พอเจออารมณ์เจอสิ่งมาปะทะเราตั้งตัวไม่ได้มันไปนสาคัญเอาว่าตัวเรารู้มันหลงว่ารู้อะ่ะมันไม่รู้จริงอะ่ะวันนั้นตรงเนี้ยเป็นอันตรายนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ศึกษานะก็ะศึกษาแต่เราจับประเด็นให้ได้แล้วลงมือทําเลย นะเอาซักวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะซึ่งมันมีหลายวิธีที่มันถูกกระจริตกับเราทำเลยลงมือเลยลุยเลยนะไม่ต้องไปกลัวเลยนะบางคนกลัวทำไปเดี๋ยวจะผิดทางนะทำไปเดี๋ยวจะหลงโอยมัวไปกลัวอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ทำ ท, ทันทะนะีอ่านอยู่นั่นแหละไปวัดนูนาาา้ น, นไปหาอาจารย์นู้นไปหาอาจารย์นีน้เทียบอาจารย์นู้นเทียบอาจารย์นี้แล้วมันก็สงสัยอยู่นั่นแหละ นะเออเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ความสงสัยเนี่ยนะมันไม่สามารถจะหายไปด้วยการอ่านและการคิดแต่มันจะจบได้ด้วยการทดลองปฏิบัติคําตอบมันจะเกิดจากการปฏิบัตินะอันเนี้เราจะไม่สงสัยนะถ้าเราทําลงไปนะเพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยท่านก็มีภาษาของท่านนะไม่ใช่ว่าผิดไม่ใช่ว่าถูก อาจารย์นี้ถูกอาจารย์นี้ผิดพระลุมนู้นพูดถูกพระรุมคือภาษาเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่จุดมุ่งหมายมันอันเดียวกันนะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอาจารย์พุทธทาสบอกจิตว่างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนีภาษานะหลวงพ่อเทียนบอกปกติอะหลวงว่าเขียนบอกไม่มีอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรมันคือภาษามันต่างกันแต่มันคืออันเดียวกันนั่นะ ใช่ไหมเราไปอ่านแล้วเราไม่ปฏิบัติเนะ่เราก็จะงงๆให้มันแปลว่าอะไร ม, มันยังสงสัยอยู่สงสัยอยู่แหละแล้วไม่จบไม่สิน้นะเรียกว่าหาที่ลงไม่ได้เพราะฉะนั้นพระหูสูตรเนี่ยนะเป็นผู้มีความรู้มากแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็ยังไม่สำเร็จประโยชนนะ์เหมือนเรื่องที่เขาเล่าว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพระรูปหนึ่งชื่อโพธิละ นะไม่ใช่โพธิลักษณ์นะชื่อโพธิลักษ์โพธิลักษ์เนี่ยเป็นพระที่มีความรู้นาทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เยอะมากๆเลยแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็มาฟังฟังแล้วไปปฏิบัติแต่โพธิลักษณ์ไม่ปฏิบัติคิดว่าตัวเองนี้รู้นะรู้มากนะแต่ไปกราบพระพุทธเจ้าทีไรพระเจ้าก็มักจะทักว่าโพธิละคษ์คำพีไบรลันเปล่ า, ามาแล้วหรือ พอเวลาจะกลับก็มากราบพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทักว่าโพธิละคัมพีรใบาลานป่านใบาลานเปล่าไปแล้วหรื อ, อคําทักของพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สงสัยมันคืออะไรท่านเป็นคนมีปัญญานะ่ะท่านก็รู้แล้วว่าอ๋อเออเรามีความรู้มากแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติความทุกข์ยังมีอยู่ก็รู้สึกตัวเองว่าเออ มันถึงเวลาแล้วล่ะหน้าที่จะต้องเอาไปปฏิบัติก็จะไปหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนในการปฏิบัติปรากฏว่าลูกศิษย์ของตัวเองเอาไปปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์ลายรูปเลยนะก็อยากจะไปเรียนรู้กับลูกศิษย์นะก็ไปขอให้ช่วยสอนเธอนะนะทีนี้ลูกศิษย์นี่ไม่มีใครกล้าสอนเลยนะโอไม่ไหวแล้ว ผมผมผมไม่สามารถที่จะสอนท่านได้เพราะท่านเป็นอาจารย์ของผมอะไรเงี้ยนะนิมนต์นิมนต์นนที่รูปอื่นเถอะนะผมผมขอตัวไม่มีไม่มีพระรูปไหนที่จะยอมสอนโพธิละเลยสุดท้ายไปได้ลูกศิษย์เป็นเนนนะเนนคนนี้ก็เป็นพระอาาราานด้วยนะก็ไปอยู่กุฏิแล้วก็มีสัตว์น้ำใหญ่นะเนนช่วยสอนผมหน่อยเถอะ ผมจะปฏิบัติยังไงผมจะทํำยังไงนะที่จะให้บรรพนทุกได้เนะี่ยผมรู้พ้นทุกมันเป็นยังไงแต่ผมก็ได้แต่รู้จำนะแต่ผมก็ยังไม่ได้แจ้งขึ้นมาในใจสัทีเนนก็บอกโอ้ยท่านมีความรู้ขนาด น, นี้ผมสอนไม่ได้หรอกเอาหนะน้าเนนสอนหน่อยเถอะนะอ่ะอาจารย์ถ้าจะให้ผมสอนผมบอกให้อาจารย์ทําอะไรอาจารย์ต้องทํานะจ้ายอม เนราะให้ทำไรทําแน่นะตอนที่ไปเนี่ยนะแหมเรียกว่า น, นุ่งแบบเต็มยศเลยนะมีผ้าสังกะสีมีผ้ารัดอกเรียบร้อยนะไปหาเนนเนนก็บอกเอางี้อาจารย์เนี่ยมันมีสระน้ำใหญ่เลยนะลึกด้วยนะอาจารย์ลงไปที่สาะน้ําอ่ะโปรติลาก็ลงไปนะเดินลงไปนะล ง, ปนะลงไปแค่ตะตุ่มนะ พอย่างเนนลงไปอีกจมไปถึงเขานะโอ้ยสะบงสะบงเปียกหมดแล้วนะพออย่างเนนลงไปอีกโอ้ยทีนี่ถึงเอวนะสะบงสะบงเปียกหมดแล้วจีบงจีวอเปียกหมดแล้วเอายอมเนนจะให้ทำอะไรก็ทําพออย่างเนนลงไปอีกถึงอกแล้วโอ้โหนี่เปียกหมดเลยนะชุดเรียกว่าเรียบร้อยนะพออย่างเนนลงไปอีก จอนี้ถึงคอแล้วไหมเอเนิน ถ, ถ, ถ้าจะถ้าจะคาตกรรมแล้วเปล่าเนี่ยบทที่แรกเราคิดอย่างเงี้ยนะพออย่างนินลงไปอีกถึงปากแล้วน้ําถึงปากแล้วพออย่างนินขึ้นมาเข็นมาพูดค่อยค่อยไม่เสียงดังเข็นมาเข็นมากำลังเงี่ยหูฟังน ะ, ะดีใจขึ้นมาอ่ะขึ้นมา เนรก็บอกว่าถ้าอาจารย์จะปฏิบัตินะอาจารย์ต้องตอบปิศาธรรมตอบวิเนียให้ได้ก่อนอ่ะเนนว่ามามันมีจอมปลวกพวกเรารู้จักใช่ไม้มจอมปลวกอะจอมปลวกมันมีรูอยู่หกรูในจอมปลวกเนี่ยมันมีเฮียอยู่ตัวเนึงถามว่าถ้าอาจารย์จะจับเทียอาจารย์ทำไง เออพวกเราคิดว่าจะจับจะจับเพื่อทำไงมันมีรูหกรูอ่ะทำไงเอาเอาเอาเอาเอาไฟไปล้นมันใช่ไหมให้ควันใช่ไหมหรือทำไงอะอุดรูหกรูเลยอ่ะแม้มันออกมาอ่ะอาจารย์ไปขบคิดโอ้อาจารย์โพธิละกัมพีบาลันเปล่านี่ต่งก็มีปัญญาเนาะท่านก็ตอบเลย อ๋อก็ปิดห้ารูแล้วเปิดไปรูหนึ่งสิใช่ไหมแล้วไอ้รูนั่นแหละเดี๋ยวขี้มันออกมาก็จับมันเลยนั่นแหละอาจารย์เอาไปปฏิบัติเราฟังแล้วงงไหมตัวเราเนี่ยเหมือนจอมปลวกอะ่ะมันมีทางเข้าออกหกทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใช่หมห้าทางใช่ไหมทางที่หกคือใจให้เราสำรวมอายตนะภายนอกนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วคอยไปสังเกตที่ใจนะพุะโพธิลานีท่านมีปัญญาเนี่ยท่านก็เอาเนี้ยไปปฏิบัติก็คือการที่มาเจริญสติสำรวมกายอายตนะทั้งห้าแล้วคอยมาสังเกตดูใจ ท่านก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเห็นความเป็นจริงของกายของใจที่มันแปลปวนเปลี่ยนแปลงที่มันเคยยึดเคยถือเกิดการปล่อยวางท่านบรรลุเป็นพระลานเลยแต่ที่เราฟังนี้ยังไม่บรรลุนะอันนี้บรนจามานะที่ยกอันนี้ขึ้นมาเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยนะเราต้องไปปฏิบัตินะอย่าไป ยินดีเพียงแค่รู้จำจดจำจากคำพูดครูบาอาจารย์แล้วก็พอใจแค่นั้นเอาไปปฏิบัติเอาไปลองผิดลองถูกเดี๋ยวมันจะได้ข้อสรุปของเราเองธรรมะเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการปฏิบัตินะอย่างเรามาอยู่วัดป่าสุกโต ร, รูปแบบมีชัดเจนลงมือทำเลย ยกมือเดินจงกรมสร้างจังหวะมีสติอยู่กับกิจวัตรประจาวันตรงนี้เราสามารถที่จะทำได้ตื่นนอนจนเข้านอนนะด้วยการที่เรามารู้สึกตัวใหม่ๆเนี่ยดูใจมันจะดูยังไม่ทันหรอกโดยเฉพาะความคิดมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเรามาระลึกรู้ที่กายเคลื่อนไหวก่อนตัวนี้มันจะมันจะง่ายากายที่เคลื่อนที่ไหว ถ้าเรารู้กายเคลื่อนไหวแล้วหยับหยาบเนี่ยเดี๋ยวกายที่ละเอียดเช่นเราก็พิมตาเราก็รู้เรากืนน้ําลายเราก็รู้เราหายใจเข้าหายใจออกมันก็รู้นะเหมือนเราคบฉันเนี่ยรสชาติมันเป็นไงเราก็รู้รายละเอียดแล้วตัวนี้แหละตัวสติที่เราพัฒนาตัวนี้แหละมันจะเข้าไปรู้ใจที่มันคิดนึกเพราะนั้นหลวงป่อเทียนยังบอกว่าดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึก นี่คือคำพูดของท่า น, นาพูดง่ายๆเป็นหลักปฏิบัติก็ได้อาจารย์ทรงศิล์ก็จะใช้ว่าใจมีสติอยู่กับกายผลลัพธ์เท่ากับปกติครูบาอาจารย์แต่ละคนนี้จะมีมีรูปมีคำพูดไม่เหมือนกันหลวงพ่ออมเขียนจะพูดขยายไปอีกดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นพระนิพพานดูอาการเห็นปลรมัิ ที่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมที่มีป้ายอยู่แล้วหลวงพ่อเขียนก็บอกคําเนี้เป็นคําพูดของหลวงพ่อเทียนจริงๆไม่ใช่ท่านพูดเองแต่ท่านขยายความจากหลวงพ่อเทียนเห็นไหมเพราะนั้นมันมีคําพูดมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นทฤษฎีก็ได้เป็นปริยัติก็ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามาปฏิบัติลงไปเท่า น, นั้นเองทีนี้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็จะงงๆอะ่ะคนใหม่ๆนะมันง ง, งๆโดยเฉพาะถ้ามาเจอ ความง่วงเจอความเบื่อเจอความฟุง้งซ่านเจอความสงสัยลังเลตัวเนี้มันจะกันไม่ให้เรารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเจอเนี่ยนะอย่าไปยอมแพ้มันใช้ความรู้สึกตัวที่เราฝึกเนี่ยผ่านอารมณ์พวกนี้นอย่างกลุ่มอาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นิสิต จ, จุฬามาปฏิบัติวันนี้วันที่สองแล้วเนาะเจออารมณ์พวกนี้ชัดๆเลยใช่ไหม แต่มาก็เป็นเพื่อนคอยเชียร์ใครง่วงนอนก็นเชียร์หน่อยให้ตื่นหน่อยนะพยายามสู้มันน่อนะได้ถามดูเมื่อวานโอ๊ยมันง่วงอย่างไม่เคยเจอเลยนะปวดเมื่อยกันขนาดนั้นหนักมากแต่วันนี้เบาลงล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทาให้มันต่อเนื่องเรายอมแพ้มตั้งแต่ต้นนะพอง่วงปุ๊บกลับไปนอนง่วงปุ๊บกลับไปนอน ก็แพ้ดิผ่านอารมณ์ไม่ได้นี่คืออารมณ์เบื้องต้นของการปฏิบัติเขาเรียกว่านิวรธรรมซึ่งเราจะต้องเรียนรู้มันแล้วตัวนี้แหละสำคัญเนะความง่วงเนี่ยทำให้เราตื่นที่สุดของความง่วงคือความตื่นถ้าเราไม่ยอมมันนะเดี๋ยวมันตื่นมันตื่นแล้วมันคือตื่นแล้วมันไม่มันไม่ง่วงเลยก็มีแต่บางคนง่วงง่วงแล้วตื่นตื่นแล้วง่วงก็มี สลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยปวดเมื่อยก็เหมือนกันบางคนพอปวดเมื่อยปุ๊บไม่เอาละยอมแพ้แล้วทนมันสักหน่อยสิใช้ยาบทแก่สินั่งเมื่อยใช่ไหมก็ลุกเดินสิใช่ไหมเดินเมื่อยก็นั่งสิใช่ไหมจะไปฝืนมันมากทําไมล่ะใหม่ๆอ่ะแต่ถ้าอินทรีย์เราเข้มแข็งแล้วนะนั่งจนเมื่อยแล้วมันอาจจะหายเมื่อยได้ด้วยโอ้เลือดลมมันเดินอ่ะ ใช่ไหมคนที่ฝึกมานานๆเนี่ยทาได้แล้วตรงเนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงตอนที่เราเจ็บป่วยเจอนเกิดอุบัติเหตุเราต้องไปอยู่ในห้องไอซียูอ่ะโห้ยมันปวดมันเมื่อยเราก็อาวางใจกับมันกายมันปวดแต่ใจเราก็ปกติได้เพราะนั้นเรามาฝึกขณะที่เราไม่เจ็บไม่ปว่วยนี่แหละมันจะเป็นวัคซีนนะเป็นวัคซีนให้เราสามารถทนกับความเจ็บป่วยทนกับความทุกข์ได้แล้วก็จะเห็นความจริง นะซึ่งตรงนี้ถ้าทำไปดีๆเนะี่ยกายกับใจมันจะแยกกันกายป่วยกายเจ็บแต่ใจปกติแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะกายป่วยกายเจ็บใจก็เจ็บไปด้วยอดโอยไปด้วยนะเพราะนั้นสติที่เราฝึกรีแล้วเนี่ยนะมันจะไปเห็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปจากสติธรรมดารรมดาจะกลายเป็นมหาสติมีความไวมีความแหลมคมรู้เท่าทันความคิด ยิ่งมันมาอยู่วัดป่าเนี่ยคนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยนะกลัวความมืดกลัวผีกลัวทุกแกกลัวงูความกลัวนี่แหละมันมาหลอกเราผีที่แท้ จ, จริงคือไอ้ตัวนี้แหละถ้าเราไม่มีสตินะ้โดนมันหลอกไปจนตายอี่แหละถ้าเรายังไม่ไม่รู้ทันมันตอนนี้นะโอ้โหตอนตายนี่ลำบากนะเพราะฉะนั้นทําให้มันสิ้นซะสิ้นความกลัวไปซะขณะที่เรายังไม่ตายเนี่ย เี๋เราจะได้ตายสบายตายสงบอย่างที่หลวงพ่อคำเขีย น, นะ ท, นท่านท่านทําให้เราดูนะเรื่องราวเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังเราได้เห็นกับตานะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเหลววิสัยเพียงแต่ว่าขอให้เรามีศรัทธาจริงๆนะแล้วก็มีความเพียรที่จะทำํำลองผิดลองถูกมีความอดทนนะต่อความยากลําบากต่ออารมณ์ต่างๆที่มันจะมา กั้นไม่ให้เราไม่ให้เรารู้สึกตัวไม่ให้เราเข้าเห็นความจริงสิ่งที่มากั้นเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าน้วรธรรมก็ได้หรือเรียกว่ามารก็ได้นะซึ่งมันมีตั้งหลายตัวใช่ไหมนักศึกษาคุยกันแล้วพอดีว่าจบนะเขาแสดงว่ามันยาวเกินไปนะมั้งเนีน่ยจบแค่นี้แหละเขาเาาไม่สนใจแล้วอ่ะท้ายที่สุดนี้ นะก็ขออ้างยิงเอาคุณของพระสีรัตนตรนะก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคือสติสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏออกมาที่กายที่ใจของเรานะที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่คงตัวนะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเรา ประสงคือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนนะด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นพลวัติปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านเข้าถึงความจริงของชีวิตนะในเร็ววันนี้โดยทั่วกันทุกท่านเทินเจริญพร